สิ่งเป็นเครื่องพัฒนาจิตก็คือธรรมะปราศจากเสียซึ่งธรรมะแล้วอายุจิตจะเจริญได้อย่างไรอาจารย์วสินอินทสระมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เรา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 เป็นผู้ที่มอบชีวิตให้กับเราคนที่จิตใจใเลื่อนลอยอันเนี้ยมันอย่างการวาทซากศพซากศพนี่ไม่มีจิตวิญญาณนะคนเราก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีความรู้สึกตัวปล่อยจิตใจให้เลื่อนลอยไปเนี่ย <c oughs> ก็คล้ายๆซากศพที่ไร้จิตวิญญาณเหมือนกันเพราะนั้นเวลาเราจะฝึกปฏิบัติจะเจริญสติเนี่ยสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้อง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 อยากให้คนนั้นเป็นคนดีอยากให้คนนี้เป็นคนดีอยากเห็นหน้าคนนัน้นอยากเห็นหน้าคนนี้เราอยากเป็นคนดีเราอยากมีความสุขความอยากเราเนี้ยมันย่อมมีขึ้นในจิตใ จ, จเราอันนี้มาจากความคิดทั้งนั้นบางทีก็เกิดความไม่ชอบใจเกิดความโกรธในจิตใ จ, จเราเนี่ยมันก็ย่อมมีขึ้นมาเพราะเราเคยสั่งสมสิ่งเหล่านี้เอาไว้จิตก็จะผลิตความโกรธความไม่พอใจออกมาในลักษณะของความคิด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 ความกลัวตายเนี่ยโอย้ยืดยาวมากทุกขั้งที่คิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีความกลัวตายทุกขังทุกกาวไปทั้งหน age, ute, Costa, attack, ้าที่ความตายเนี่ยสั้นนิดเดียวถ้าตายจริงๆนะสั้นนิดเดียวมันก็ตายแล้วแต่ความกลัวตายเนี่ยมันทรมานเรามากนี่มันเกิดจากความคิดเองนั้นะแต่ถ้าเราลองมาศึกษาชีวิตศึกษาธรรมะเราจะรู้ว่าอ๋อความตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ปัญหาที่ปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยมันจะเริ่มเข้าใจเข้าใจขึ้น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 คือน้ำขุนเรารู้แล้วเราก็ปล่อยวางรู้แล้วก็ปล่อยวางเมื่อเราตัาากน้ำขุนออกไปเมื่อความคิดที่ไม่ตั้งใจคิดออกมาแล้วเนี่ยเราไม่ยึดมั่นถึงมันเราปล่อยวางไปด้วยสติเมื่อจะมีความคิดที่ดีๆเกิดขึ้นมานี่คือน้ำใสเราก็ใช้ได้นะแต่ยังดือมไม่ได้อาบได้ซักเสื้อผ้าได้แต่ยังดือมไม่ได้แต่เราใช้ได้เช่นเดียวกับความคิดดีๆเนี่ยคิดออกมาแล้วเนี่ย เราใช้ประโยชน์ได้แต่เรายังยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในความดีในความคิดดีเราก็เป็นทุกข์เหมือนกันจะเป็นต้องรู้จักปล่อยวางทาความดีคิดดีแล้วรู้จักปล่อยวางใช่ไหมเท่ากับตักน้ำใสยออกไปแล้วก็จะเป็นน้ําที่บริสุทธิ์พร้อมดื่มพร้อ ม, มใจจิตเราก็เช่นเดียวกันคิดดีเรารู้แล้วก็ปล่อยวางคิดไม่ดีรู้แล้วก็ปล่อยวางจิตเราก็จะบริสุทธิ์พ้นออกจากความ 上网。